بسم الله الرحمن الرحيم ا ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ฺ ن ف س ن ا ومن سيئات ลลอฮฺ م ล م อฮฺุ ل ه อฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุ ل ลอ ا ฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺ ا ล ل อฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลล ال um ah um ah ah l a h u mursalna ala Muhammad wa a و من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرحي صدر ويصر لي أمر وحل العقدة بلسان يفقه قولي Allahu mabika asbahna wa bika amsayna wa bika وإلاكن نشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته แต่พี่น้องที่ร่วมนมาดซุบรหรือว่านมาดฟัจลเอาซุบวัลฟัจลที่รักทั้งหลายครับอัลฮุมดุ ล, ลิลละก่อนอื่นต้องรำลึกนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ ه ะุอาลาที่อัลลอฮให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ การมีชีวิตอยู่ของเรานั่นเพื่อการทบทวนเป็นการทบทวนตัวเราเองนั่นแหละว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งของท่านนาบีมุฮัมมัดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยการเช็คแบบนี้ดีที่สุดทำให้เราเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนไม่เยออหยิ่งไม่จองหองไม่ตะกา บ, บุธ เพราะว่าการเยาะยิงจองหองอวดดีเนี่ยมันเรียกว่าคนนี่ป่วยนะคนป่วยต้องรักษาในภาษาอูรดูวลัวกิบิมาเรียลัวกิบิมาร์ารารใจป่วยคนที่ร่างป่วยเนี่ยป่วยที่ร่างเนี่ยทุกคนพาไปหาหมอกันหมด แต่เวลาวิญญาณป่วยเนี่ยไม่ไม่ค่อยไปไม่มีใครคิดเลยว่าตัวเองป่วยแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหาหมอด้วยแล้วหมอไม่มีรักษาด้วยวิญญาณป่วยวิญญาณป่วยวิญญาณวยังไงวิญญาณที่ไม่เอาอิสลามหัวใจที่ตะกับบุตหัวใจที่โอหังอวดดีเนี่ยหลายคนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่นี่ยมองว่าไม่ใช่เป็นโรค แต่ถ้าภาษาคุรานิแสดงว่าคนนี้เป็นโรคอ่ะดูกุรานนะครัขอมัลลอห์มาลากลูบิห์อัลลอฮ์จะประทับตราบนอะไรบนถูของเขาบนตาของเขาและอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นคนเกิดมาริดเป็นคนป่วยฟาซาดฮุมุลลอหุมารดาคนที่ป่วยป่วยป่วยใจนี่นะอัลลอฮ์อยากจะเพิ่ม อย่าเพิ่มความป่วยเนี่ยเพิ่มลงไปอีกอะ่ะฉะนั้นนอกจากคนที่ตาบ้าตัวซําสัไรนะ่ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาคำดุลินละเราทบทวนคุรานมาเนี่ยมาถึงสูร้อนนหลออนนหลูเนี่ยแปลว่าพึ่งแสดง ว, ว่าพึ่งนี่มีประโยชน์กับเรามาก พึ่งกับมแมลงวันต้องนึกตรงนี้แล้วก็อลัลลอ์พูดว่า <c oughs> น้ำพึ่งเนี่ยมีประโยชน์มาก <c oughs> ชีฟา้าอุลลินนาสเป็นยารักษารักษาเนี่ยรักษาอะไรรักษาโรคร่างกายถ้าจะให้หัวใจเนี่ยดีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวต้องกลับมาหาอัลลอ์แล้วเราสู้ไม่มีอย่างอื่นนะครับ อขอบคุณเราล้อนะเราได้ทบทวนกุรอานมาถึงสูร้อนนะหลูอายะที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่มาอยู่ไปอยู่ที่ภูเก็ตกลับไปทันเานะครับเอามาอ่านทบทวนดูอัลกุรอานนะ ليحملوا أوزارهم ك أو م ا م ل ت ي و م القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليحملوا เนี่ ต้องอ่านจากอายาที่ที่ผ่านมาก่อนนะไวจากีลาลาหุมมาจาอันจาลาอบุกุมอายาที่ผ่านมานะอายะที่ี่สเนี่ยดูตรงนี้ก่อนถึงจะเข้าใจอายะที่ยี่บอายะที่ี่สเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังบอกว่าและเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาไวจากีลาลาหุม เมื่อมีคนมาพูดมากล่าวมาสอนมาเตือนหรือมาถามบอกว่ามาจาอันซาลรอบบุคุมอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานได้ทรงประทานอะไรลงมาจากฟากฟ้ามาบ้างถามคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยกับคนถามกับคนเอาศาสนาทนี่ตอบไม่เหมือนกันนะนี่ถามคนที่ไม่เอาศาสนาคนฝังคะนุน หัวหน้าของคนที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดและแอนตะี้คุรานมีอยู่คนหนึ่งนะนำหน้าเลยนในสมัยนบีชื่อนาดริบนาดรนาดรบินฮาริสเป็นศัตรูของอิสลามถามอัลลอฮ์ได้ให้นบีมุฮัมมัดอ่านกุรานนะครับอ่านว่าเออเนี่ยอัลลอฮ์ประทานอะไรรูาจหมจากฟ้ า, ฟ า, ฟ า, ฟาบ้างรู้ไหม นั่นตรงนี้ตอบบอกว่าเป็นนิยายประรัมปราไปเรื่องเล่ากันมากุรานที่มุฮัมมัดนำม า, มามสอนนี่ไม่มแตกอะไรกับเรื่องนิทานนิทานอิสุบบ้างเรื่องอะไรนะที่บเราก็มีเรื่องอย่างแม่นั่งพระขนงเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงอะไรนะเออเป็นนิทานเนี่ยเลเล่ากันมาเนะ่ะเล่าสู่กันมา เขามองว่าอัลกุรอานนั้นเป็นนิยายเล่าสู่กันมาที่มูฮัมหมัดนำเอามาสอนคําพูดนี้ต่างหากที่อัลลอฮ์โกรธมากเลยดูถูกเหยียดยามอัลกุรอานมองอัลกุรอานนั้นเปรียบเสมือนนิยายที่ชาวบ้านเล่ากันมาเรื่องลิทานลิโซบ้างเรื่องอะไรนะเรื่องแม่นาคพระขนองบ้างจริงไม่จริงไม่รู้มองกุรอาเนเป็นเป็นทํานองเดียวกัน อัลลอ์กล่าวบอกว่าลายะลียะมิลูเอาซาโรฮุมผลของการกล่าวดูถูกอัลกุรอานผลของการที่กล่าวว่าอัลกุรอานมันไม่ต่างอะไรกับนิยายปรมปราที่เล่ากันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาถึงลูกหลานวันนี้เป็นยังไงครับพวกเขาได้แบกอ่าลียะมิลูพวกเขาได้แบก ก, แบ ก, กรรมชั่ว เขาได้แบบความชั่วเอาไว้เห็นไหมนี่พูดอย่างเดียวนะพูดดูถูกอัลกุรอานพูดดูถูกของที่อัลลอฮฺประทานลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยดูถูกว่าเป็นนิยายเป็นเรื่องที่เล่ากันมาจากปู่ย่าตายายใช่ไห้แล้วเราก็มองใครที่มองอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับนิยายเนี่ยหมือนกับของเล่ากันมาจากชาวบ้านเนี่ยนะคนนี้มีความผิดนะ นี่จากคุรานายา น, นีลิยัมิลูอาซาโรฮุมพวกเขาจะได้แบกของหนักหมายถึงกรรมชั่วของพวกเขาอาซาแปลว่าความบาปของพวกเขาที่เขาพูดออกมาเป็นการดูถูกเหยียดยามอัลกุรานดูถูกสุนนะท่านนาบีคำว่ากรุรา น, นีหมายถึงสุนนะนบีด้วยนะท่านคนที่ดูถูกกุรานดูถูกสุนนะนบีสุนนะน บ, ะน บ, ะน บ, ะนบีไม่มีอะไร กับความคิดของเราของเราดีกว่าอีกหากพูดอย่างนี้นะเราอากีดาเชื่อแบบนี้นะนั่นเขาแบกความผิดของเขาไว้ติดตัวเขาแล้วแล้วทําไงนี่เอาลอนเล่าให้ฟังนะกามิลอาจารย์จนเต็มการรับสมบูรณ์กาเมลสมบูรณ์เยาวมังเกียมาในวันฟื้นขึ้นตกลรูว่าความชั่วที่เขาพูดเอาไว้นั้นมันไม่หายไปไหนลนะ่ะ ความชั่วที่คนทําทําทําทํำมาไว้นี่ไม่หายไปไหนเลยนี่พออ่านอย่างนี้เรากลัวนะเระอาอ่านอายะอื่นมีอีกเอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าความชั่วของมนุษย์ที่ทําไว้บนโลกนี้ถูกเก็บไว้ในสี่แหล่งคือความดีียก็เหมือนการที่ทําไว้เจยถูกเก็บถูกบีกอดไว้ในสี่แหลง่งแหลงที่หนึ่งอะไรครับแผ่นดินเนี่ยกุณอ่านอายะไหนครับ ยาวมาอิรินตูฮัดดิสุอัคบะรอฮในวันเตียมะเนี่อัลลอฮจะให้แผ่นดินเนี่ยเล่าเรื่องราวของมนุษย์แ ต, แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนให้เราฟังและพระชาคนพระชาโลกทั้งหมดเนยืนฟังกันหมดเล ย, เยแต่ละคนแต่ละคนทำอะไรไว้เอาอยาที่สอนอธิบายว่ามาลายก้าที่อยู่ซ้ายมือของเราก็ขวามือก็จะเล่าอีก ตรงนันหมดเลยสองสอ ง, สองแห่งนี้แหลงที่สามอลัลลอ์จะให้มือพูดกับเท้าเป็นพยานสุร่ยาซีนอัลยามานักติมุอาลาอัฟวาฮิฮิมวัตุกั ล, ลิมูนาไอดีฮิมให้มือพูดวัตาชาดูอรยุโลหม um, ให้เท้าเป็นพยานนี่คำพูดของอลัลลอฮ์นี่เรื่องจริงทั้งหมดเล่าเรื่องสภาพวันที่มมาให้เราฟังแลอ้อีแหลมหนึ่งก็คือสมุด บันทึกที่มาลลาอิกาบันทึกเนี่ยสี่แหลมเนี่ยตรงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำอะไรที่เป็นความชั่วเอาไว้เนี่ยนะอัลลอ์จะเล่าให้ฟังนะลิยามิลูเอาซารอฮุมกาเมลาจัยเยามาลุงเตียมพวกที่ได้กล่าวดูถูกเหยียดหยามอัลกุรอานกล่าวดูถูกเหยียดหยามสุนนะของท่านนาบี เอาอีกนิดหนึ่งบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีที่อัลลอฮ์รับรองเอาไว้เนี่ยว่าเป็นคนดีรอดิยลลอฮฺหวนฮุมวารบุหวานแล้วเราไปว่าเขาไปดูถูกเขาเหยียดหยามเขาความผิดอันนั้นพวกเขาแบกไว้นะครับจนถึงวันเตียมะเห็นยังกาไม่ละใจเยา้ามาเตียมะแบกจนถึงวันเตียมะ ขณะที่นอนอยู่ในหลุมฟังศพอัลลอฮ์ก็ลงโทษ ด, ด้วยฟื้นขึ้นมาในวันเกียมะอัลลอฮ์ก็ลงโทษ ด, ด้วยวมอาลและบางส่วนและให้เขาแบกอีกอัลลอฮ์ะจะให้เขาแบกคือไอคนที่ดูถูกอกุรอานดูถูกสุนานะนบีดูถูกสัฮ า, าบนานนบี เขาแบกความผิดของเขาไว้แล้วยังไม่พออัลลอฮฺให้เขาแบกอีกที่เขาไปบอกคนอื่นให้เชื่อเหมือนเขาอ่าไปบอกคนอื่นให้ให้เข้าใจผิดเหมือนเขาเนี่ยฉันเนี่ยคิดถูกแล้วฉะนั้นมีกี่บาปเนี่ยสองบาปบาปที่หนึ่งตัวเองพูดใส่ร้ายอานใส่รุ้ษุนนนบีใส่ร้ายสุนา น, นาบียังไม่พอไปยุให้คนอื่นไปหาพวก คุยคุยคุ ย, คยตามบ้านเขาเขาก็เชื่อนี่ไงกลายเป็นสองบาปบาปที่ตัวเองทำบาปที่ไปสอนให้คนอื่นทำให้คนอื่นหลงมวามินอัซาลิลาดีนายูดินลูนาฮุมบิรยริไหลมิโดยไม่มีความรู้เห็นไหมท่านคนที่ดูถูกอัลกุรอานเขาทำความผิดโดยไม่มีความรู้ เขาด่าสุนานะานบีเขากาลังทำความผิดโดยไม่มีความรู้แล้วก็เขาด่าสัฮาบะของท่านนาบีเขากาลังดูถูกเยียดยา้งด้วยสิ่งที่เขาไม่มีความรู้เพราะอัลลอ์ไม่ต้องการให้คนเหล่านี้มาด่าอัลลอ์มาด่ารอซูนมาด่าฮาบะมาด่าสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมโอ้พออ่านแล้วกลัวตัวลงว่า ก, กายเป็นสองบาป บาปตัวเองทำแล้วยังไม่พอ อ, อยู่กับเมียเมียก็เชื่อผัอวอีกคนหนึ่งอกีกอยู่กับลูกลูกก็เชื่ออกีกแต่ญาติพี่น้องอยิ่งเรารวยด้วยคนที่แอนตี้ศาสนาถ้ารวยด้วยพวกเยอะโอ้ตนนี้บาปเต็มไปหมดเลยครับจนถึงวันไหนครับวันเตียมะอาลาสามายซิรูอาลาแปาว่าอะ่มลมจงรู้ไห้เธอ ซาอะเปรวะเลวมายาสีรูนชั่วช้าแท้แท้ที่พวกเขาแบกเขาแบกของเรียวๆเอาไว้บนหลังของเขาเขาไม่รู้สึกตัวนี่ถ้าไม่อ่านกรุรานนี่รู้ไหมไม่รู้ครับถ้าไม่เรียนกรุรานไม่อ่านกรุรานอายะอันนัพลูเนี่ยไม่รู้เลยว่าการที่เราไปว่าอัลลอฮ์ว่าอัลกุรานว่านาบีมุฮัมมัดว่าสุนานะนบีว่าสุฮ า, าบะ น, านาบี ไปดูถูกของที่อัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยนะอัลลอฮฺอัลกบะดนี่ไงคุณนายไปถามคนคนไม่เอ า, าศาสนามันตอบอย่างนี้นะเลยอยาไม่รู้เอาอะไรนะเห็นมีอะไรคุราน ม, มุฮัมมัดเห็นมีอะไรซ า, าบานะบีก็คนธรรมดาใช่ไหมละ่ะแต่ที่ไหนได้นะคนนั้นกําลังแบกความผิดเอาไว้เป็นความผิดแบบหนซ่นาเป็นความผิดที่อันี่เลวที่สุดนะ ทอวัดชั่วชา้าแท้ๆที่พวกเขาแบกเอาไว้สังเกตคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนะในอัลกรุรอานพูดว่าแย่ะนะที่อัชเช่นอะไรบ้างเวลาอัลลอฮประทานริสกีให้เขาเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเขาไม่จ่ายสกาดเขาทำความผิดอย่างแรงเลยสอง เขาดานะข่าได้นะเขาด่านบีมุฮัมมัดเป็นความผิดอย่างแรงเลยสองเขาดา uran, ข่าอัลกุรอานเขาด่าสุนัขท่านนบีในอัลกุรอานมีอีกนะพวกเขาทําหน้าบึง้งทําหน้าอะไรนะั้นคิ้วขมวดเมื่อได้ยินกุรอานได้ยินของที่มาจากนบีสุนัขนบีเนี่ยคิ้วขมวดโมโหแบบอะไรนะเกลียดใช่ไหมนั่นแหลเราตาลาลงโทษแล้วรวมไปถึงคนที่จองหอง คนที่อวดดีต่อคำสั่งของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ากาญจนกคบีร์กรุณาต ร, รงไงไหมซาอุสซาอุสลีฮีซะกรซาอุสลีฮีซะกรในเมชาอัลลอฮ์จะโยนเขาสู่ไฟที่เผาไหมเลาวาฮะตุลลิลบาชรไฟนั้งมันจะย่างย่างคนที่แอนตี้าศาสนานี่นะครับจนเกรียม พอเกลี้ยงแล้วนึกว่าจะหมดโทษนะอลัลลอฮฺเปลี่ยนอีกบัดเดลนายูลูเดลกอยรอหูอลัลลอฮฺเปลี่ยนหนังอีกพอมันเกรี้ยมดีก็เปลี่ยนใหม่วันหนึ่งประมาณสามรกว่าครั้งเปลี่ยนรพราะวันหนึ่งของอัลลอฮฺเท่าไหร่ผ่า น, นปีมีห้าหม่นปีอลัลลอฮฺอักบัดลียารูกุลอาจ่าเพื่อเขาจะได้ชิมการลงโทษที่เขาทรยศต่ออลัลลอฮฺทางชีวิตของเขาอ่ะที่อยู่ตอนตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ย ไม่ได้นึกถึงเน่้อธมัดความโปรดปารานที่อัลลอ์ได้ประทานให้แก่เขาฉะนั้านการดูถูกกุรานเร็วมากเลยฉะนั้นถามคนฝังอรนู้นว่าอัลลอ์ประทานอะไรลงมาเขาบอกก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นนิยายปรมปราเป็นเรื่องเล่าสู่กันมาอัลลอ์ว่าถ้าคุณพูดว่ากุรานเป็นเรื่องเล่ากันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ตามบ้านแล้วก็ lihamilu a า z a r อ h u m คุณกาลังแบ่ง แบกเอาไว้บนหลังของคุณล้วคุณที่ไปส่งเสริมคนอื่นให้เชื่ออย่างคุณคุณมีโทษสองโทษถึงวันเตียมักโอ้โหเนี่ยหนักมากครับเอาต่อมาครับดูฮะดีสฮะดีสนบีสอนอย่างนี้มันดาอีลาฮูดาใครที่เชิญชวนคนให้ทำความดีตรงตรงข้างมปอายานี้นะอันนี้เขาเชิญชวนคน ให้แอนตี้คุรานให้แอนตี้ซุนนานบีให้แอนตี oh ้สุฮาบนนบีมีโทษไหมอัลลอ์เล่ากับียร์คุรานซาอามายาซิรุนคุณนะ่ะแบกความชั่วเอาไว้บนหลังของคุณจะนั้นมาทำความดีล้วเป็นยังไงนี่คุณฮะดิษบอกว่ามันดาอาอิลาฮูดาใครที่เชิญชวนกันสู่ความดีจะอยู่กับบ้านก็สอนภรยาสอนลูกๆให้ให้ให้มีาศาสนา สอนลูกให้นามาสอนลูกให้รักอ AH, ัลลอฮ์ให้รักระซุนให้รักซอวาบ้านนบีเป็นยังไงครับกาณละหูมินลอาจริมิสลูยูริมานตะบะอาูเขาได้ผลละบุญแต่ผลละบุญอะไรผลละบุญที่คนอื่นเชื่อเราอะที่เราเชิญชวนเขาสู่อัลลอฮ์นี่ไหมเขาเชื่อเราเพราะคําพูดของเราเราได้ผลละบุญเหมือนเขาได้เหมือนกัน เขาได้เท่าไรเราได้เท่านั้นกลายเป็นกี่เท่าสองเท่านี่ไงนบีบว่าให้ออกเนี่ยทำงานศาสนากันให้สอนกันให้เตือนกันให้บอกกันเพราะมีผลบุญตอบแทนจากอาลัลลอ์เขาจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ผลบุญที่เราสอนเขาที่เราเตือนเขาอบรมเขามีผลบุญไหมมี อะต่อมาคิดลายังกุสุจาริกามินอูยูริหิมชัยอันคนที่ปฏิบัติตามเขานี่ยนะคนสอนได้ผละบุญผละบุญนั้นไม่ลดนาลายังกุสแปลว่าไม่ลดเลยแบบเดียวกับคนที่ถือศีนอดเดือนเดอนมอตโตนิจมาแล้วนะอีกเดือนกับกี่วันส4บสี่วันสิบห้าวันและคนที่เลี้ยงอาหารคนที่ละศีนอดผละบุญ เท่ากับคนที่ถือศีลอดน่ะกลายเป็นสองอะไรนะสองผลละบุญจะนั่นคนที่เข้าใจาศาสนาเนี่ยเขาจะทําบุญมีเงินมีทองเขาจะบริจาคซื้ออาหารให้คนละศีลอดอัลลอฮฺเว ล, ลาไปทําพัดนาะรู้เลยในช่วงรมามอดเนี่ยเขามีเด็กวิ่งจับมือคนให้ไปอาหารทางอาหารละศีลอดต่างคนต่างแย่งแย่งคนถือศีลอด ดึงกันไปดึงกันมาเพื่อให้มานั่งทานอาหารละเสิมอดเพราะเอาฮะดิษบทนี้ไปไปกํากับชีวิตของเราจะท่านการทําบุญดีไม่ดีการเชิญชวนสู่ความดีดีไม่ดีคนที่เชื่อเราได้ผลบุญเราก็ได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮุด้วยและตรงกันข้ามว่ามันดออาอีแล้วบอลาแหละใครที่เชิญชวนคนสู่ความหลงจะรู้ไงว่าหลงเนี่ย ถ้าหากไม่ตรงกับที่นบีสอนผิดหมดไม่ตรงกับนบีไม่ตรงกับสฮะบานาบีผิดหมดอทีนี้กาณาเลียฮิมนาลิสมีคนที่เชิญชวนคนชักจูงคนให้ทําผิดเขาก็มีโทษแล้วก็โทษของเขาคนหนึ่งไปทําความผิดเราก็ได้โทษเป็นสองเท่าเหมือนกันทําความดีกว่าสองเท่า ไปเชิญชวนคนทําความชั่วออกเป็นกายเป็นสองเท่าฮะดิษเหล่านี้เป็นฮะดีษที่มาจากท่านนบีทั้งหมดฉะนั้นให้กําลังใจพวกเรานะครับว่าอะไรก็ตามที่มาจากอัลลอฮ์รับให้หมดและอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอย่านำเอามาปฏิบัติเพราะไม่มีผลบุญไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูบตาละนะครับรวมไปถึงคนที่สูบบุหรีด้วย ถามวาสุบริถูกถูกหรือผิดผิดและไปะยุให้เพื่อนสูบอีกสองแดงเลยนะตัวเองบาปคนเดียวไม่พอนะไปะยุลองลองน้มันก็ติดกันหมดนะนี่อาญานี่เข้าทั้งหมดเลยฉะนั้นฉะนั้นพยายามลี่ห่างในเรื่องชั่วๆฉะนั้นความชั่วที่ทาเนี่ยเขาเขาเก็บเป็นความลับ อ๋อคนดีๆในสมัยสุรบานะบีเนี่ยเวลาเขาทําความดีเนี่ยเขาปกปิดความดีของเขาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ทําความดียังปกปิดความดีไม่ให้คนอื่นรู้ทําไมอ่ะกลัวตะกบุสมันจะตามมาอย่างกับวันผู้รหัตวันจันที่เราถือส้นอดกันอยู่เนี่ยบางคนถือกันมาตา น, นักเขากลัวอ่ะไม่อยากให้ใครรู้บางทีไปนั่งอกินน้ำชาดิ่บอกจะก่อนก่อ น, อนปั้งนอกก่อน โอ้สาว จ, จะไม่เล่าว่าบูดนะนะกลัวนะ่ะกลัวอะไรนะกลัวไอ้ความดีที่ทำไว้อะจะถูกลดย้อนจากอัลลอฮ์สุภาในอบาทะออย่างนี้เป็นต้นนั่นคือค้อที่เข้าใจศาสนานะเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบหกกอดมาการลลาดีนมิงกอบลิฮิมแน่นอนบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่า ไม่ใช่สมัยนบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวที่แอนตี้คาสอนของมูฮัมหมัดนบีที่มาก่อนหนะ้นานบีมูฮัมหมัดทุกคนก็ถูกขัดขวางและศัตรูพวกนี้นะ่ยวางแผนไหมวางแผนทั้งหมดเลยสมัยนี้นะี่ยศัตรูวางแผนทําลายมุสลิมไหมทําลายตึกเวินเทสนี่มันระเบิดเนี่วางแผนทั้งหมด อิรักถูกยึดนี่วางแผนมาแล้วอัฟกานิสถานถูกยึดนี่วางแผนมาหมดแล้วแม้จะปัตตานียาลาสามจังหวัดที่ฆ่ากันทุกวันนั่ก็ถูกวางแผนมาแล้วทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญอัลลอฮ์เล่าให้ฟังทั้งหมดนี่วางจัดจัดจัดจัดจะทำยังไงจะทําลายผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต์อะไรได้รับข้อมูลมาใหม่แล้วว่าสักสองประเทศเนี่ย เยาวชนที่อยู่ทางภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยระดับผู้ใหญ่ของประเทศเลยนะจ้องมองว่าจะต้องทำลายเยาวชนให้ติดยาเสพติดให้หมดให้มากที่สุดที่ข่าวนี้มันออกมาแล้วเขามีนโยบายวามาการูอัลล์เล่าให้ฟังคนเหล่านั้นวางแผนที่จะทำลายพี่นองมุสลิม นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมถ้ายังถ้ายังไม่รู้ตัวนะก็ถูกหลอกไปนี่แหละลูกหลานติดยาเสพติดกันเยอะไปหมดนะท่านต้องต้องระวังเพราะว่าคนระดับผู้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศเขาต้องการเขามองมุสลิมเนี่ยด้วยสายตาที่เกลียดชังที่สุดเห็นใส่ัวูเห็นพวกสารบานเห็นมีคราวนี่มันไส้ก็ขอให้มันไส่อย่างนี้จนกว่าจะตาย เราจะดูซิว่าหลังตายจะพบกับอะไรคุณอ่านว่าไงนะลิยาหมิล um ูอาซาโรฮุมเขาจะได้แบกความผิดของเขาไว้บนหลังใช่ไหมฉะนั้นทุกคนนะที่คิดแบบนับโดรบินฮาริสถูกลงโทษจากอัลลอ์หมดแต่อัลลอ์จะลงโทษหลังตายอาทีนี้มาดูอาญานี้ครับ ก็จะมากรอนลาดีนามิงกอบลีหิมแน่นอนบรรดาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้วางแผนรู้เปล่าใครที่วางแผนเนี่ยสมัยนบีอิบรอฮิมมาเลยฮิสลาคนที่วางแผนขวางนาบีอิบรอฮิมชื่อหนุ่มรูดเป็นกษัตริย์นะเป็นคนมีอำนาจนะมีเงินะมีพวกมีอาวุธเต็ไมไปหมดเลยขวางนาบีอิบรอฮิมคนเดียว ถามว่าขวางสาเร็จไหมไม่สําเร็จจับนบอิบรอฮีมโยนใส่ไฟสําเร็จไหมไม่สําเร็จอัลลอฮฺว่าไงรู้ป่าวคุลนายานารุกูนีบารดันวาสาลามันอาเลาอิบรอฮิมไฟเย็นไม่ให้เป็นทำอันตรายกับนบอิบรอฮีมคนเดียวแต่คนอื่นลองลองเอามือไปแย่โจ๊ดซิพอง แต่พอนบีอิบรอฮิมคนเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องนบีอิบรอฮิมเห็นยังอ่ะจะวางแผนแค่ไหนก็ตามเชิญเธอไม่สําเร็จชฎิกษัตริย์นุมรูดเนี่ยสร้างปราสาทสร้างพระราชวางังในตาเฟซอิบนะกะซีดเนี่ยสร้างพระราชวังเขาบอกว่ากาณาจัารุนกาน์ฟิลอาร์ิอันนุมรูดในแผ่นดินของอัลลอฮ์มีคนเลวที่สุดในวันนั้นชื่อนุมรูด เป็นกษัตริย์ด้วยเป็นกษัตริย์ที่โหด ท, ที่สุดนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังต้องการทำลายศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนาบีอิบราฮีมาดีฮิสลามแล้วเป็นไงครับฟาบาอัลลอฮฺอัลเลฮีบะอูบอัลลอฮ์ส่งมาแงตัวหนึ่งนะฟาดะขอลัดฟีมัณฑขลีมาแรงนี่เข้าไปในรูจมูก ฟามากษัรอาร์บามิอาสานะอยู่ในอยู่ในหัวของเขาเนี่ยสี่รปีอายุของคนรุ่นก่อนเนี่ยยาวมากเลยนบีอิบรออีมเผยแผ่ศาสนากี่ปีกี่ปีนะเกยห้าิบปียกเว้นนะห้าสิบฉะนั้นกษัตริย์นมรุที่ทำลายอิสลามผ่านนาบีบรอฮีมอัลลอฮ์ส่งอะไรมานะแมะลงเบางดอแปลว่าแมลงเข้าไปอยู่ในรูจมูกของเขา ปันทรมานทาั้งๆทรมานอย่างนี้ซัสี่ร้อ0ปีเนี่ยน่าจะสำนึกน่าจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอ์ไม่ครับแล้วเป็นไงครับยาดุริบุโรุษะหูบิลมาปอริกซุ่มมาอามาตะ h ูและต่อมาอัลลอฮ์ให้ตายแล้วกษัตริย์องค์นี้แหละสร้างปราสาทนี่สูงอ่าสร้างปราสาทสูงท้าว่าอัลลอ์มีหละมีแต่อัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะ แบบใครนะฟาโรเหมือนกันฟาโรเน่เกือบตายแล้วนะสร้างปราสาทเหมือนกันแข่งกับอัลลอ์นบีมูซาขออทุทิศอัลลอฮ์ทำลายฟาโรในพระราชวังในบ้านของเขาในปราสาทอัลลอฮ์บอกว่าฉันทำลายฟาโรในปราสาทของเขาไม่ได้เพราะเขาเขียนชื่อของฉันแปะไว้อยู่หน้าบ้านบิสมิกัลลอฮุมมา ฉันให้เกียรติกับชื่อของฉันเกือบเกือบเกือบแต่เสร็จแล้วไปตายที่ไหนฟิลบรฮีตายในทะเลแต่กษัตริย์นุมรุ่นเนี่ยเอาล้อให้ตายในพระราชวังเลยครับตายแบบไหนน้ำตื้นๆแมลงเข้าจมูกไปเดินอยู่ในสมองเนี่ยโอ้โหกี่ปีสี่รอยปีสี่ร้อยปีมันน่าจะทรมาน่าจะ สำนึกตัวใช่ไหมเออฉันนี่เป็นอะไรนะทำไมคนอื่นไม่เป็นเป็นอยู่คนเดียวคนทั้งที่เป็นนูน่นเป็นนี่ยิ่งใหญ่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้ตายนี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะฟาตัลลอฮูบุญยานหุมมินอลกวาอิดดังนั้นอัลลอ์ได้สเสด็จอาตาแปว่ามาแล้วพูดอัลลอฮ์แปว่าสเสด็จอัลลอฮ์ทรงสเสด็จมาที่ไหน ที่บุญญาณแปลว่าอาคารบุญญาณแปลว่าอาคารบ้านพระราชวังที่เขาสร้างนั่นแหละมีนัลก็ว่าไอ้ดีคําว่ามาใช่ไหมหมายถึงลงโทษอ่าคำว่าอัลลอฮฺเสด็จมาหมายถึงอัลลอฮฺลงโทษเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยนะอัลลอฮฺลงมาเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺเล่นงานอัลลอฮฺลงโทษดูใช่ไหม ถ้าอานคุรา น, นไม่อาศัยตำสิีธิ์ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยเอออัอลลอฮ์ลงมาที่อะไรนะที่อาคารของวกเขาหมายถึงการลงโทษตรงรากฐานทางหลายหมายถึงต้นต้นตอของเข า, าเลยก็ว่าเอดหมายถึงรากฐานของเขามาที่โคนบ้านก็เลยมาทำลายเขามาพังหมดเลยแล้วก็พังพังใครนะพังงมรูดด้วยให้ตายแบบไหนมแมลงเข้าไปไหน ผ่านจมูกเข้าสมองเข้าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมก็งานของอัลลอ์ทั้งหมดนี่ให้ตอนกลางคืนได้ไหมมันหน้าเข้าอ่ะน้าน้านมากว่าไหมไม่ไม่ไม่ไม่จะอาบน้ำน้ำมา์ไม่จะยกมือขึ้นใช่ไหมทำตามสุนนะนาบีไม่เคยอ่ะทาชีวิตแต่ไม่เคยขอบคุณอัลลอ์สุภาณูวุะตาละรวมไปถึงพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้าดูถูกสุนนะนาบีระวังนะมแรงเข้ารูหู ไปเดินกุ๊กๆๆๆๆอยู่ข้างในสักสิปีอ้าลลออาจจะหายตอนเที่ยงเที่ยงพอตอนเดือกเอาละกุกุกๆๆๆถามว่าอยู่ได้ไหัหยเครียดนี่นุมรูก้กรันการถูกล่นงานจากอัลลอ์มาเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนรุ่นหลังที่ไม่เอาศาสนานะท่านคนที่ไม่เอาศาสนาแล้วอลัลลอ์ให้เขามีสุขภาพดีนี่อลัลลอฮ์ทรมานคุณหรือเปล่า ให้หลงอยู่วันนี้ไม่เจ็บไข้ใดป่วยมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่มีเบียกินมีเหล้ากินอยู่ในบ้านมีของหรามทำเนี่ยใช่ไหมไม่ให้เจ็บไข้ใดป่วยเลยต้องนึกเออเลาหมั่นไส้เราขนาด น, นี้แล้วเนี่ยเจ็บก็ไม่จะเจ็บป่วยก็ไม่ป่วยต้องนึกต้องนึกนะครับต้องนึกนตลอดเวลานะาพี่น้องครับข้าถามว่านุ่มรูดมาสมัยนะบีคนไหน มาสมัยของนบีอิบรอฮีมาเลยฮิสลามสร้างพระราชวังเหมือนใครสร้างพระราชวังเหมือนฟาโรส่วนฟาโรนั้นเกือบเกือบใช่ไหมดีว่าอัลลอฮ์บอกกับมูซามูซาเออฉันทรมานลงโทษเขาที่พระราชวังไม่ได้เพราะฉันให้เกียรติกับชื่อของฉันนีออ่ใครจิบรีนมาลายการเนี่ย ดูสิคนทํางานคนที่อัลลอฮ์ส่งยิบรีนมาปกป้องนะคนทํางานศาสนามหมดเลยนะยิบรีนเล่าเองนะว่าฉันนี่นะอัลลอฮ์สั่งปับ๊บปับถึงเลยอ่ะสั่งปั๊บถึงเลยนะมีอยู่สี่ีท่านถามว่าคนเหล่านี้ก็ทําอะไรที่อัลลอฮ์ส่งยิบรีนมาดูแลทํางานศาสนามหมดเลยคนแรกนบีอิบรอฮิมตอนที่นบีอิบรอฮิมถูกจับโยนใส่ไฟพอ จัดเรียบร้อยดีเราว่ายิบรีนลงเดี๋ยวนี้ยิบรอย ย, ยยิบรังถูโยนใส่ไฟยิบรีนมาเลยอุมปลอดภยัยหมดแล้อัลลอ์ช่วยไว้ก <im ites> ุนาอูรกูนีบัดันวาซาเลมัน อ, นอนยิบรอยยิฟยนนั่นิบรีนมาช่วยด้วยอันที่สองนบีอิสมาอินตอนที่นบีบรอฮิมเชือดคอเนี่ ย, ยิบรีนลงเดี๋ยวนี้นั่น เขาจะเชื่อดอิสมาอินอยู่แล้วมีดเจอคอแล้วยิบรีนลงมาคนคนที่สองถามว่าอิสมาอนทํางานอะไรศาสนาถ้าเป็นคนเรวอะอย่างกระหนมรูดเนี่ยจะลงไหมปล่อยมันตายไหมข้อ <c oughs> ที่สามคนคนคนที่สามน บ, บียูซุฟอะลัยฮิสลามตอนที่พี่พี่เขาจับนบียูซุฟโยนหลงบ่ยิบรีนนั่นยูซุฟถูกโยนอยู่ในบ่ลง <c oughs> ปึดลงมาอุ้มเอาไว้ไม่มีอันตรายคนสุดท้ายคือนบี ม, ม د, ุฮัมมัดทำงานศาสศนาหมดเลยทํำอาะไรครับนบีบรอยฮิมในเมืมุฮัม ม, มัดเนี่ยถูกฟันหักนะถูกแกล้งที่ไปเมืองไปเผยแพ่ศาสนาที่เมืองต่อไอยินกันบ่อยเรื่องนี้ใช่ไหมถูกทรมานถูกขว้างอะ่ะคือเลือดนี่โซมไปหมดเราบอกยุบยิมลงเดี๋ยวนี้อย่าให้เลือดถูกพื้นดินนะ ถ้าเลือดหยดหนึ่งของนบีมูฮัมหมัดถูกพื้นดินเมื่อไรนะหญ้าจะไม่ขึ้นต้นไม้จะไม่ขึ้นยิบรีรียบลงมาเลยมาอุ้มมาไวเห็นไหมคือทั้ทงหลายมีอยู่สี่คนถางว่าคนสี่คนนี่เอ า, าศาสนาหรือไม่เอ า, าศาสนาเอ า, าศ า, อาสาศนาหมดเลยคนทํางานาศาสนาทั้งหมดเห็นไกมทั้ทงหลายฉะนั้นเราต้องนึกเยอะเราเป็นคนรุ่นรุ่นที่จะเลิญที่สุดวันนี้นะถ้าไม่เอ า, าศาสนาอาลอฮ์ลงโทษหนักพอๆกับคนรุ่นก่อนเหมือนกัน ฉะนั้นต้องหานมาศาสนามาเช็คตัวเองมาดูแลตัวเองนะครับอ้าวต่อมาครับอายาที่ยี่สิบเ็ดุมมาเยาไ ม, ไม่ใช่ดิอันไปหมดฟาคอราไลฮิมุซักฟูมิฟาวกีฮิมดังฉะนั้นหลังคาเหนือพวกเขาซักฟูไปวันหลังคามิมฟาวกีฮิมเหนือพวกเขา ฝากอรอไลหิมแปลว่าได้ทลายลงมาบนพวกเขาหมาถึงแผนการที่เขาทำลายแผนการที่เขาวางวางไว้อลลอตทาลายหมดเลยแล้วก็ให้ตายตายแบบง่ายๆอะไรเข้าจมูกนะมาแงเข้าจมูกไปอยู่ในสมองขอ ง, ของเขาตายวาตาอุมลาซาอัลลอฮ์เล่าเองนะและเราได้ ลงโทษนะครับให้เกิดขึ้นแก่พวกเขาอาตาหูมุลอาซาอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขามินไฮซูลายาโชรุจากแหลนใดพวกเขาไม่รู้คือนึกไม่ถึงคนอย่างกษัตริยนะ์จะป่วยถึงขนาดนี้หรือนึกไม่ถึงว่าตัวเองเนี่ยได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ทางไหนอลัลลอ์ตาแบบง่ายได้มแมลงเข้าจมูก 400รปีอยู่ข้างในอลัลลอฮ์นี่เป็นการทรมานสุดๆแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัวถามว่าตายแล้วจบไหมตายแล้วไม่จบถูกทรมานในกูโบต่ออีกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในวันเกียรมะอลัลลอฮ์เล่นงานต่ออีกฉะนั้นคนอ่านกูอ่านเท่า น, นั้นแหละที่รู้แต่คนไม่อ่านไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความผิดอะไรแล้วคนที่แอนตี้ศาสนารุ่นก่อนเนี่ย เขาถูกลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างไรท่นานอ่านกุรานนี้อัลลอ์ให้เราเข้าใจายเยอะมากาเลยคัมดุกล่านเยอายะที่ยี่สบเจ็ดนะครับสุรอ้อนน้ำลซุมมาย้ามังกิยามาที่ยุคซีหิมและในวันฟื้นขึ้นอ่าเย้ามังกิยามาแปลว่าวันฟื้นขึ้นแสดงว่าวันเกีย์มามีไหมมีแน่นอนตายแล้วม่ใช่ตายเลยต้องรอ วันกิยามะครับซุ ม, มะเยามาลกิยามาติยุคดีหิมพระองค์ทรงทำให้พวกเขายุคดีแปลว่าอับปยศสร้างความอับปยศสร้างความลําบากให้กับพวกเขาตอนตายก่อนตายก็ถูกทรมานมาแรงเข้ารูจมูกคล้ายๆกันเนี่ยคนที่เอ า, าศาสนาวันนี้ตอนตายก็ทรมานกันทุกคนนั่นแหละ อยู่ในกูโบก็ถูกเอกเ อ, อ้าวอายารนีสอนซุมมยาย้ามัลกียามาติยุคซีหิมฟื้นขึ้นมาในวันกียมะนึกว่าจะหมดโทษกับอัลลอ์ให้เขาได้รับความอัปยศต่ออีกต่อหน้าคนไปน้องเพราะฟื้นกันหมดวันนั้น่ะไม่รู้ว่ากี่แสนร้อยกี่แสนล้านกี่แสนล้านคนฟื้นหมดเห็นหมดเลยวันนั้นวายกูลูวายกูลู บรรดาและและกล่าวว่าอาลัลลอฮ์กล่าวว่าวัยากูนแล้วก็กล่าวว่าไงนะไอนาชูรกะอิยัลลดีนกุนตุมไหนล่ะภาคีหรือว่ารูปเจเวต ท, ที่พวกคุณบูชาบนโลกดุนยานะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอา้าวเรียกมาเรียกมา คนที่บูชารูปเจาเวศเรียกเจาเวศมาคนบูชาโตตะเกียไปเรียกโตตะเกียมาคนที่บูชาอะไรโตระยมไปเรียกโตระยอมมาคนที่บูชาอะไรนะเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรียกมาเรียกมาอัลลอ์กล่าวเองอ้าเรียกมาเรียกมาคุณฟื้นมาแล้วเอ้าเรียกมาสิ่งจะคุณบูชาบูชาทั้งหมดรวมมาถึงคนแขก ที่ไม่เอาศาสนาที่ชอบหมอดูหมอดูไปเรียกหมอดูคุณมาตอนที่คุณอยู่บนโลกดุญญนยาในเชื่อหมอดูนักเรียกมันมาแล้วเป็นไงครับคุณตุมตุชากูนาฟิหิมอันเนื่องด้วยความเชื่อของคุณนั้นคุณไปทะเลาะกับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์คนที่เชื่อโ ต, ตะตเกีย ว, วันนี้ใครไปพูดว่าโตเตเกียบาปดาคนสอนอีก ใครที่พูดว่าโต๊ะระยองนะ่ะอย่าไปเคารพนะอย่าไปขอนะไอ้คนที่ไปขอโต๊ะระยองก็ตูชากูนะ้น่ะไปทะเลาะ ก, กับคนที่ไปสอนอีกอัลลอฮฺอักบัดที่อัลออลอฮ์เล่าหมดเลย <c oughs> ฉะนั้นคุณเองเนี่ยนะไปบูชาสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่สั่งให้บูชาแล้วก็คุณก็ไปทะเลาะ ก, กับคนที่ไป ห้ามคุณไปแนะนําคุณไปเตือนคุณบอกว่าเย่าเลิกเธอก่อไปด่าเขาอะไรครับอ้าวเรียกมาเรียกมาเรียกมาสิ่งที่คุณบูชาเรียกมาให้หมดเลยไปลองครับถามว่าเรียกมาเนื่อถ้าคําตอบไปตอบเองได้ไหมมามาได้ไหมโตตะเกียเป็นคนอย่างเราช่วยได้ไหมโตระยองเป็นคนอย่างเราช่วยได้ไหมโตตะเกียเองกองนท่นก็ปวดหัวนะโตระยองเอ ง, องก็ปวดหัว ฉันจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่รู้ได้เนี่ยอัลลอฮ์อัลกุรอานั้นอัลลอฮ์สั่งวยยาไปกราบอย่าไปขอกับสิ่งที่จากมนุษย์ด้วยกันที่เขาตายไปแล้วอย่าขอให้ขอจากอัลลอฮ์เรื่องนี้มันเรื่องอัคีดา้านมันเรื่องใหญ่คนนี้มันก็เชื่อน่าดูเลยนะอัลลอฮ์ถูกลอบ่บต่อมาครับกลลล็ลหล่าีนารูตทูลไงล่ บรรดาผู้ได้รับความรู้อูตุลไหลมาแปลว่าผู้ได้รับความรู้ผู้ได้รับความรู้เนี่ยใครอุลามะอธิบายดีหนึ่งบรรดานาบีฉะต้นนานบีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดวัลมุสลินคนที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาให้เป็นรอซูลเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วก็วะลมุมินูนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอุลามะทั้งหมด ที่มีความรู้เรื่องกุรานเรื่องศาสนาทั้งหมดนั้นพูดพูดว่างไงนะอินนัลเคเซียพูดในวันเตียมะนะ่ะแสดงว่าเขาเขายืนดูกันเหมือนกันนะบีเขยืนดูใช่ไหนบีอิบรอฮิมก็ยืนดูนบีมุ hammad เขายืนดูบรรดาซอบา้านบีเขยืนดูพวกเราก็ยืนดูด้วยว่างไงนะอินนัลคเซยเล่าความอัปยศ อัลยามวันนี้วัซซุและความชั่วที่คุณได้สะสมไว้บนโลกดุนยาอาลัลกฟิรินจะมาอยู่กับคนที่ไม่เอาศาสนาใช่ไหมพี่ทอนทั้งหลายแสดงว่าคนนี่ยืนดูกันหมดนะตัดสินนุมรูดอย่างเงี้ยโอ้โหตุมซนะุดตัวแสบด้วยใช่ไหมอยากจะดูหน้าเป็นยังไงนมรุนเนี่ย ไปเจอฟาโร่อยากดูฟาโร่จังเลยนะอยากดูไอ้คนที่วางแผนตึกระเบิดตึกวอนเทนแล้วฆ่ามุสลิมอะอยากดูหน้ามันเหลือเกินเนี่ยเราเห็นเห็นเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นนี่นี่ละตัววางวางแผนวางระเบิดตึกวอนเทศแล้วอ้างว่ามุสลิมเราเข็นฆ่ามุสลิมคนนี้คนนี้คน น, ค น, นี้ยืนดูกันทั้งโลกอะโอ้โหไม่ใช่เรื่องสนุกนะเรื่องอับอายขายขีนหน้าดูวันนั้นนี่ภาพจะกูละ อัลลอฮ์ล่าอีกนะครับยุงซาบุลลิกลีก็ไดเรียนเลยว่าทุกๆกลุก่มมีทงทงทงทงปักไว้คนชั่วกลุ่มฟาโรห์ทงนู่นไปดูก <c> ล <oughs> ุ่มนุมรุ่ที่เข็นฆ่าวางแผนฆ่านาบีบรอฮิมอยู่ตรงนู้นสมัยนบีมุฮัมมัดที่แอนตี้มุสลิมในประเทศไทยอยู่ตรงนู้นไปดูโอ้โหเห็นไหมหัวหน้ายืนอย่างเงี้ยโอ้โหอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลย ในอัลกุรอานอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่ า, วาไปเรียกมาไอ้นชูรกาอิลลีนะสิ่งที่คุณบูชาตั้งพาคีเอาไว้นะ่ะไปเรียกมาซะเขาเรียกไหมพี่น้องในอัลกุรอานพยาอื่นเขาเรียกนะนาดูชรกาอิลลาดีนาซัมตุมพวกเขาเรียกจริงจรินะฟาดอาหุมเรียกเท่าไหร่ก็ตามฟลมยาสตาจีบูลหุม ไม่มีการตอบรับใดๆต้นสิยงเราเราเนี่ยเคยไปขอโตตะเกียมาใช่ไหมเราก็เรียกโตตะเกียจ้าช่วยฉนอยฉันมีปัญหาแล้วตัวตะเกียมาไหมไม่มาครับฟารัมยาสตาจีบูล้วอุมนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะสิ่งที่ท่านบูชาสิ่งที่ท่านเคารพ บ, บนดุลยานี้อัลลอฮ์สั่งให้เรียกเขาก็เรียกจริงๆเรียกแล้วมาช่วยไหมไม่มาช่วย ฟะซอนนูอันนาฮูมมัวเกี่ยฮะพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องตกลงไปอยู่ในนรกแน่ๆคิดอย่างเดียวจะทำไงนี่นะจะให้ตัวเองปลอดภัยจากการลงโทษพี่น้องครับพวกเราเป็นมุสลิมที่มีอาศาสนาเนี่ยลูกช่วยได้เยอะแล้วคนกาเฟ่นะ่ะคนฟัซอ น, นนะ่ะลูกช่วยได้ไหมเพราะันพอกัน ไม่เอาศาสนาโดยการทั้งคู่ฉะนั้นเราวันนี้มันอาจจะเลวไปบ้างใช่มแล้วก็ตายโดยไม่ทันเตาบ้าตัวโอ้ยมีไหมมีครับขับรถไปนี่พดพชนหน้าเอี่ยมสบัดนี่ตาย อ, อ๋อเนียอตวัวจะเตาบ้าอีกสองปียังสนุกยังเพลินอยู่เลยนี่นะบาปเยอะคนแล้วเนี้ยเป็นแขกไหมเป็นคนแขกแต่ศาสนาไม่เอาอ่ะแต่ลูกช่วย การจัดการมีลูกเนี่ยดีไหมดีมากเลยจัด ใ, ให้แต่งงานให้แต่งงานในมีลูกเยอะเยอเพราะลูกนั้นช่วยพ่อแม่หลังจากพ่อแม่ตายไปแล้วได้ช่วยแบบไห น, นลูกต้องมีศาสนาวลฬดุนซอลิฮุนยาดองลาหูลูกที่ซอลแลขอดูอาให้อลัลลอฮฺโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลูกที่ตายในขณะที่อะไรนะ ยังเล็กๆอยู่ยังไม่อากินบาเรกสองขวบสมขวบแล้วเสียชีวิตมีไหมย่อผมก็มีลูกเล็กตายสวก น, <c oughs> น้ําตายท่านคนที่มีลูกตายตอนเรียนเสียใจทุกคนแล้วแม่เสี ย, ยใจร้องไห้อ่ะแต่พี่น้องรู้ไหมลูกนั้นช่วยได้ไปนั่งอยู่ที่ปากประตูสวรรค์เอาว่าว่าเข้าไปสูข้างในไม่วามาฉันอยู่ไหนย่อฉันอยู่ไหนไปเรียกมาก่อนฉันไม่เข้าอ่ะเห็นไหมช่วยได้ช่วยได้ ตอนนี้เรากวนลูกกับแมรีม่นิก้ากับเมริกา้าทำไมกลัวจนนี้เปล่าทำซีนาดีกว่าสบายดีเล่นแบบอะไรนะบุฟเฟ่ต์งเลี้ยงทีไม่เอาไม่ไปยอมแต่งงานแต่งไว้เธอเก็บไปทำอะไ ร, รอะชีวิตเร า, เาลองให้มาไปรอทั้งหลายรีบนิกา้ามีลูกเยอะๆมีลูกเยอะๆ เ, เพราะว่าลูกเห็ลูกห้าคนไม่ดีก็สองคนทำเยอะไปเลยสามคนปล่อยไป ทัดีทั้ง5คนดีไหมทำอยู่ลีลถ้ามี10คนล่ะท่านอนานามีกี่คนอันาทอดีอย่าเอากดู80จะเป็นไงครับถ้า80คนขอดูอา่าอย่าเอาลอเอาไปอาโทนให้พ่อฉันด้วยเจ็บร้อยเป็นอันมีลูกเยอะๆดีครับเป็นอัอย่างท่านทมีลูกเยอะๆดีเพราะเลี้ยงลูกเก่งอ้าวกุนตุมตุชากูนาฟีฮิมตัวนี้อธิบายดีนะ พวกท่านเนี่ยแตกแยกกับผู้ศรัทธาถ้าไมตั้งแตกแยกแหละก็ผู้ศรัทธาไปสอนเขาไะสอนให้เลิกทําบินอะาตกดด่าเขาสอนให้เลิกทํอก า, า อ, อ, ทอะไรหนะ่ะอีซีกูโบก็ไปด่าเขาบอกอีกคุณจะทําทเลยอนนัลลอฮไม่สั่งอัลลอฮฺไม่สั่งก็ไปทะเลาะ ก, กับเขาไปสอนให้เขาว่าอย่าทำอะไรอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮฺก็ไปด่าเขาไปทะเลาะ ก, กับคนที่ค้นทํางานาศาสนา ปแปลนตีเขาอะไรเขาคุณกลายเป็นคนสองบาปแล้วกันนี้เป็นต้นนะครับตัวร้องว่าทะเลาะกับคนดีผิดมั้ยผิดนะครับอ้าวต่อมาอายาที่ยี่สิบแปดอัลลอฮินาตาตาวฟะฮูมุลมาลาอิกะตุกาลิมีอัมฟูซิฮิมนี่อัลลอฮ์เล่านะให้เราสังเกตนะบรรดา มาลาอิกะตอนที่มาลาอิกะมาเอาวิญญาณต่าต่าว่าฟ้าหุ้มแปลว่ามาทำให้พวกเขาตายไอเราคนเฝ้าไข่เนะ่ยมองไม่เห็นไปยืนเฝ้าคนใกล้จะตายนั่งกันเป็นแถวและเจ็ดแปดคนไม่ยู้จะตายเมื่อไรก็ไี่ร้ อัลลอ์ให้เราอ่านกูอ่านแล้วก็สังเกตอัลลอฮี่น่าตัววาฟะฮูมุลมาลาอิกะบันดาที่มาลาอิกะมาเอาวิญญาณออกขณะที่พวดอธรรมย่อรี่มีคนไม่เอาศาสนาตายเป็นยังไงใช่ไหมอัลลอ์เล่าหมดเลยฉะนั้นตอนตาย น, นี่ทรมารที่สุดละมุมินตอนตายเป็นยังไงอายะอื่นอธิบายไว้บลาอิกะมาครับ มาลยกามาสองชุดชุดที่หนึ่งมานั่งอยู่บนศีรษะคนใกล้จะตายและชุดที่สองมานั่งเท่ากับสายตาคนตายมองไปถึงมาสองชุดชุดที่มากระชากวิญญาณเนี่ยแต่งตัวถ้ามาหาหมุหมินเนี่ยแต่งตัวสะอาดรอกลิ่นหอมมากระชากวิญญาณคนซ้อเลมคนไม่เอาศาสนามาแบบนั้นนะแบบเนี้ยมีที่เหม็น ผมกลางมาเลยมากระกระชากเนี่ยเชิญออกออกไปวิญญาณอ่ะแค่เห็นหน้าเฮ้ยกูไม่ไปไม่ไปเว้ยไม่ไปเหรอกระชากพุทธแรงๆทรมานอ้าวดูคุณอ่านอัลลอีนาตาตาวะฟาห์มุลมาลาอิกะตุโอลิมีอัมฟุซิฮิมบรรดามาลาอิกะตอนที่มาเอาวิญญาณออกขณะ ที่พวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองตลอดทางชีวิตของเขาไม่เอาศาสนาเลยตลอดทางชีวิตของเขาไม่เคยสูอยู่ต่ออัลลอฮ์เลยตลอดทางชีวิตของเขาแอนตี้ศาสนาอัลลอฮ์ศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งมาไม่เอาสุนานะนบีไม่เอากุรานไม่เอาสวาบานนาบีด่าเขาเป็นไงครับฟาลกูสซาดามะตอนที่มาเอาวิญญาณเนี่ย วิญญาณนี่ก็จะพูดอะไรนะพูดพูดพูดอย่างนี้มากุนาน้ามาลูเมนซูเราไม่ได้กระทําความชั่วใดๆเลยตอนแร่ว่าพูดตอนแร่นี่เอาล้อเล่าเลยนี่พูดอย่างงี้นยมากุนาน้ามาลูเมนซูเราไม่เคยทําความชั่วอะไรอย่างนี้น่าตบแม่ะ ถ้าเป็นเราตบไหมก็เราเห็นดูนี่มันดาอัลลอ์ทุกวันว า, วางแผนอะไรระเบิดตึกเบิร์นเทแล้วก็ไปฆ่ามุสลิมอ่ะ ด, ดูดูมาทำเนี่ยพอไปเอาบิญญาฉันมาเดี๋ยวทำความชั่วได้เลยอัลลอ์ใช่ไหม น, นี่ถ้าไม่อ่านกูอ่านนี่ไม่รู้อัลลอ์เล่นงานครับ มาคุณนา น, น่ามัลูมินซูไม่ใช่เช่นนั้นดอกบลัลาอินนัลลอฮฺาอาลีมุนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ก็อัลลอฮ์ไม่ได้นอนอ่ะลาตักฮุซูฮูซินะตุนวาลานาอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนถ้าอัลลอฮ์นอนไปอาจจะไม่รู้ก็ได้นี่อัลลอฮ์ฉันไม่นอนอ่ะฉันเห็นตลอดเวลาว่าคุณทําอะไรกันอยู่นะครับ บิมาคุณตุมตามาลูในเรื่องที่สูญเจ้ากระทาทั้งสิ้นอละรู้หมดเลยส่งอะไรกามมาเอาวิญญาณคนพูดเลยฉันไม่ทำผิดอะไรเลยอักีดาอย่างเดียวเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะอักคีดาผิดเชื่อผิดทำผิดคิดผิดหมดเลยฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขก็คือเรียนกุรอ่านแล้วก็เรียนสุนนนาบีถึงจะคิดถูกเชื่อถูกคิดถูกแล้วก็ทาถูกนะครับ อาต่อมาครับอายะที่ยี่สิบเกาฟาดคูลูอบววบาจั h น, นำมีเสียงพูดว่าไงนะมาไลยครับพูดเองจงเข้าไปในประตูของนรกอ้าโลพูดอย่างนี้หน้าออกไหมละ่ะวิญญาณอนะ่ะไม่น่าออกเลยออกมาครับพาสมนรกอยากออกไหมวิญญาณไม่อยากออกครับ คอลิดีนาฟีเฮอยู่ในนรกคอลิดแปว่าอยู่ไปตลอดครับฟาลาบิซามัสวัลมุตกับบีรินฉะนั้นชั่วชาบิซาแปลว่าชั่วชาแท้ๆเลวแท้ๆมัสวาที่พำนักอัลมุตกับบีรินผู้ที่หยิงพยอง คนที่ไม่เอาศาสนาอาลัลลอฮ์ด่าว่าพยิยพยอยมคุณน่ะยิงพยอนะยมไม่เอาศาสนาของ อ, อัลลอ์ฉะนั้นต้องไปอยู่ในที่ที่เลวที่สุดคือนรกไปงี้พี่น้องครับวันนี้นะร่างเรากับวิญญาณเราเอาลัลลอ์ให้อยู่ในร่างเดียวกันมีวิญญาณไหมมีมีร่างไหมมีร่างเดี๋ยวอัลลอ์เอาวิญญาณออกอลัลลอ์มีความสามารถครับ เอาวิ ญ, ญญาณออกจากร่างได้ไหมได้แล้วก็ท ร, รมานานแล้วแล้วก็วิ ญ, ญญาณนะ่ะขึ้นไปเข้าฝ้าอลัอลลออัลลอฮฺส่งกลับมาอยู่ในนรกยาหาร น, นำหรือวิญญาณอยู่ในนรกและส่วน ร, ร่างกายนะครับก็ฝังอยู่ใต้ดินบางคนก็นาเอาไปเผานึกว่าจบไม่จบถูกทรมานที่วิญญาณร่างกายถูกด้วยอยู่คนละที่ไหนพี่น้องเห็นดูไหม เนี่ยวันนี้เวลาเราถูกอะไรถูกหมากัดถูกมีดบาดมันเจ็บเฉพาะที่ร่างที่วิญญาณมันไม่เจ็บไปในอัลลัมบัตซักพอตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างนะครับอัลลอฮฺให้วิญญาณอยู่ที่ไหนไหมวิญญาณของคนชั่วอยู่ใต้ดินชั้นที่เจ็วิญญาณของคนดีอยู่นู่นไหนพี่น้องอาจารย์ศิษรย์ฟีอะไรนะ ไอ ล, ลียีนอัลลอฮ์วักักอยู่ใต้กับสัจระตุลมุนมุนมุนมุลตาฮาชั้นฟ้าชั้นที่เจนะ็น่ะอยู่ใกล้กับต้นอะไรนะต้นพุทาอยู่ใต้บันลังอัลลอฮ์สุภาต่างอะไรเปรียบเส ม, มือนนกวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่างของนกแล้วก็บินนั่นวิญญาณคนดีนะวิญญาณคนชั่วอยู่ใต้ดินชั้นชั้นชั้ น, น, นันที่เจ็ถูกทรมานที่วิญญาณแล้วก็ร่างของเขาอาจจะนอนอยู่ในกุโบใช่ไหมอยู่คนละที่ แล้ววันกิยามาเอาลองให้วิญญาณที่แยกกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างใหม่อีกทีหนึ่งฉะนั้นวันกิยามาเวลาถูกทรมานที่ร่างกายวิญญาณเจ็บด้วยเจ็บหนักมากเลยแล้วก็ตายไ้ยถูกทรมานแล้วไม่ตายทรมานลาโยงตัวพิฆาตวายาไม่เป็นไม่ตายถูกทรมานสุดๆอยู่บนดุงยานี่ถูกทรมานสุดๆ ก, ก็แค่ตายพอตายแล้วจบใช่ไหนะ่ะ นี่อัลลอฮ์ให้เห็นนะแต่ในวันเกียม์มาตรงกันข้ามไม่ตายฉะนั้นขอลีดีนะฟิฮ่าอัลลอฮ์ว่าอยู่ในนั้นนะตลอดไปเลยพี่น้องอัลลอฮ์นาอูซบิลลาฮิมินซาเลหทีนี้ระว่างที่อยู่ในสุสานเนี่ยระว่างที่อยู่อะไรนะ <c oughs> อยู่ในอัลลัมบัดซักเนี่ยยกตัวอย่างว่าฟาโร่โเนี่ยอัลลอห์ลงโทษวันละสอครั้ง อันน้ารุยอัลลอฮุณะอไลฮะฮุดุอาวะชีคนไม่เอาศาสนาอัลลอ์ให้นรกเนี่ยถูกนำเสนอมาให้ฟาโรนะเพราะฟาโรเป็นหัวหน้าของคนชั่วรองลงมานุมรูดเป็นหัวหน้าของคนชั่วอัลลอฮ์ลงโทษคนสองคนนี้นะครับเป็นไงนะเอานรกมาให้เห็นตอนเช้าและก็ตอนเย็นไวยเยามาตะกูมุสวา และนำนรกมาอยู่ให้เขาเห็นในวันติยมะและบอกเข้าลงไปเข้าไปอยู่ในนรกนี้เนี่อัลลอฮ์เล่าสภาพของวันกิยมะและเรื่องจริงทั้งหมดเป็น้องต่งหลัอายะสุดท้ายกับพระที่28ฟาดคูลูอบวาบาจฮันนำอยายะสุดท้ายนะครับวะกีลาลิลละีนตะกาวได้มีกล่าวแก่บรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วคนดีๆทั้งหลาย คนฝั่งคนนี้คนที่เอาซุนานะนบีที่เอากูร์รานเอาสุฮับะและคนที่ชอบเอาซุนนะเข้าบ้านแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆ อ, อาจจะกินน้ําตามซุนานะนบีดื่มน้ําตามซุนานะนบีนอนตามซุนานะนบีเข้าของน้ําตามซุนานะนบีนึกแต่ซุนนะซุนานะนบีเป็นไงครับมาดาถามเขาบอกว่ามาดาอันซาลรอบบุกุมอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานอะไรลงมาจากฟากฟ้า ถามคนฝั่งคนนูน้นด่ากุ้นอา่านไม่มีอะไรพอมาถามคนฝั่งคนี้ก็ลู้ค่อยรอพวกเขาตอบว่าของที่อลัลลอฮฺประทานลงมาดีทั้งหมดเห็นไหมถามว่าคนฝั่งนี้พูดอย่างนี้อลัลลอฮฺจะพอใจหรือไม่พอใจนี่อลัลลอฮฺเล่าเองคนฝั่งนี้มีอัคลากดีนิสัยดีพูดจาดีของที่อลัลลอฮฺประทานลงมาจะฝากฝากดีหมดเลยแม่แต่ ความลำบากที่อัลลอฮให้กับฉันก็ดีให่ไหมนั่นคนฟังกานนี้เนี่ยพูดดีหมดเลยเพราะก็มีอะกีดาปดหัวดีไม่สบายดีให่ไหมเพราะคนฟังกานนี้ถูกสอนน่ะความลำบากเนี่ยมันมาไม่ไม่กี่วันหรอกมาอาทิตย์นึง้มันก็หมดไปเจ้ไหมไอ้ความทุกข์มันก็มาความสุขมันก็มาแต่เวลามีความสุขแล้วเขาไม่ลืมอัลล เวลามีความทุกข์ก็ไม่ลืมอัลลอ์กล่าวว่าไงเวลาจะได้ความบความลำบากอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอ์ส่งมาดีอัลฮัมดุลิลลาห์ดีอินนัลิลลาห์วะอินนัอิลัยรอเจอูนี่ชมอัลลอฮถ้ามันหนักมากก็อัลลอฮุมะยูรนีฟีมุซีบตีวะคลุฟลีคอยรอมินฮะแบบไฟไหมอ่ะหนักสุดใช่มอ่ แก่กล่าวอาวไงนะอัลลาฮุมมะยุดนีอัลลอฮ์โปรดตอบแทนให้รางวัลในความเดือดร้อนจากฉันด้วยเธอวกลุฟลีคอยรอมินะและโปรดทดแทนของที่ดีกว่าให้ไปดูที่พี่น้องเราที่อยู่หมู่บ้านอัปเช่นตัวนี้เป็นไงอ่ะบ้านใหญ่ๆใช่ไหมเนี่ยบางคนก็กลับนะก็ตัวส่วนใหญ่ก็กลับนตัวพถูกเล่นงานแล้วก็ทำอยูลลดีคนฟกน่ดีอัลลอ์ไงนะกาลูคอยรอ เขาบอกว่าดีเยี่ยมเลยอะไรดีมีสุขภาพแข็งแรงเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ได้ไปพิชิตเมืองต่างๆอย่างสมัยมูฮัมหมัดนะ่ชิดอียิปต์เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์พวกซา บ, บานาบีมาพิชิตนครมกกากเน่มันจะกินเหล้าสยดนึ่ยะแล้วก็ฆ่าใครหรือเปล่ามันจะล่างแค้เลยปองดองหมดอาภายัอาภายอาภายัอาภายอาภายัอาภายอภัยอภัย ใารนบีมุฮัมมัดถ้าไม่ไม่เอารูปแบบนบีมูฮัมมัดล่ะอ้ามูฮัมมัดมาใช่นบีเห็นไหมแต่บรงทายจบไหมไม่จบเดี๋ยวก็ฆ่ากันอีกลิลลดีนะอัลสานูฟิฮะดิฮิตุนยาฮานะลิลลีนพวกเขากล่าวว่าดีเยี่ยมสำหรับผู้ทำความดีในชีวิตของโลกนี้ นะครับคนที่ทำความดีบนโลกนี้เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ต่อมาวาดารุลอาคิรอติคอยและแน่นอนสถานในปรโลกนั่นดีกว่าเขาได้รับความดีบนโลกดุญยาเขาก็ยังชมว่าอัลลอฮ์ให้ของดีๆและคนอย่างนี้ถ้าไปมีชีวิตอยู่ในโลกอาคิรออิเอกเนี่ยรางวัลที่อัลลอฮ์ให้มันดีกว่าโลกดุญยาไม่รู้ว่ากี่เท่าดูดูด คอยกยกตัวอย่างที่เอาลองให้บนโลกดุนยาเนี่ยอะคริเนี่ยเอาลองให้เยอะสังเกตต้นข้าวข้าวเม็ดเดียวที่เราเพาะลงไปในดินเนี่ยมันออกมากี่ต้นนะเจ็ดต้นเจ็ดรวงนี่เอาลองให้เห็นนะบนดุนยาเนี่ยฉันให้นะเจ็ดรวงแล้วก็รวมนึมมีเท่าไหร่นะเจ็ดมีอยู่ร้อยเม็ดผมไปนับมาแล้วเมื่อสองเดือนก่อน หลายคนอนุมัติด้วยพนังนาพน้อโอ้โร้อยเมตรนะ่ะแล้วก็เจ็ดร้อยเท่าไรเจ็ดรอยเมตรนี่อัลลอฮ์เล่านะคนที่ทําความดีบนโลกดุนยาฉันให้รางวัลเขาเจ็รอยเมตรบนโลกดุนยาใบนี้ให้เห็นแล้วก็คนที่ทําความดีอีกเลยในโลกอาคีรอจะได้ไหมได้มากกว่านี้อีกอัลลอฮูยูซาอีคุลิมัยะชะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้มากมายตามที่อัลลอฮ์ะสมเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวทําความดี ความดีอย่านึกเองความดีต้องหนึ่งปฏิบัติตามอัลกุรอานและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีแล้วก็ปฏิบัติตามบรรดาสหบัของท่านนาบีวะลานี่ะมาดรุลมุตตะกีนสถานที่สำหรับผู้สำรวมตนจากความชั่วประเสริฐแท้ๆเนียมมาเนิยมมาแปลว่าเนิยมมนิยมม เป็นความประเสริฐที่ดีที่สุดที่อัลลอ์ให้กับคนที่อยู่กับาศาสนาของอัลลอ์คนฝั่งคนี้ในวันเตียมากจะมีรางวัลมากกว่าบนดุงยาไม่รู้ว่ากี่เท่าเอา่น้องทั้งหลายครับเขาวันนี้มั่งพมเนื่องถึงนบีเคยเข้าออบ้านถามภรรยาว่ามีอาหารให้ฉันทานไหมภรรยาบอกว่าไม่มีนั่นบ้านนาบี่ะ เราอยู่อย่างงี้บ้างนะ่ะไม่ได้นะทะเลาะเลยมีมีเอาไหนเลยที่ันถามอาหารไม่มีเงินเดือนให้ต้งสองหมืนดูสิไม่มีอาจจะว่าภรรยาแต่บ้านนาบีไม่มีอาหารได้นบีตอบ่ายังไงรู้ไหมภรรยาบอกว่ามีน้ำส้มน้ำส้มก็คือน้ำหมัดนี่แหละน้ำหมักในี่ใครเอาไปใ ช, นะช้นะป้าเชมเอาไปใช้ผมถามอุลมามะซาอุดี ถ้าว่าน้ำหมักในสมัยในบดีอธิบายยังไงก็คือน้ำผลไม้ที่เขาหมักไว้แล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณแเดือนก็พอเปิดมาเนี่ยเนืมัอีดามแกงน บ, บิ ว, ว่าแกงแกงที่มีเนี่ยมัตที่มีบราร์กัรมากที่สุดก็คือออลคอลโล่ olo, คือน้ำสม้มฉะนั้นกินน้ำส้มเยอะๆโรภคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานก็หายโรคแต่แต่โรคโรคชีริกไม่หายนะ เราชี้เล็กต้องต้องเวียนกุรอานต้องเรียนสุนนะนะครับถ้าไอโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ตามร่างกายเนี่ยเนี่ยมาเลีดามอัลคอฮ ล, ล์น้ําส้มแต่ต้องหมักตามสูตรนะบีเท่าไหร่แปเดือนไปแล้วถึงจะแล้ววันนี้เขาเอามาใชา้กันเยอะห้ามดนลยเลยเพื่น้องน้ำโซบอาจารย์น้ ำ, นนๆๆนำนไร น, น้ำลงยอีเขาขายตัวเนี้ยนี่แหละช่วยได้เยอะ ข้าพสุบภา่ a l l a h u m m i k u l l a l l a h f a l ل ا م l k t u l t